บทที่6คุณค่ากับปรัชญามนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อไรและที่ไหนตางพอใจที่จะทำตามขนทางที่ตนเลือกเองมากกว่าจะฟังคำสั่งของเหตุผลที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความเห็นของดอสเทยับสกีฟิโอดอร์มิไฮโลวิชดอสเทยัสกี 1821- ถึง1881 นักประพันธ์หือชื่อของรัเสเซียประพันธ์วรรณกรรมไว้มากมายส่วนใหญ่หยิบยกและวิเคราะห์ตีแผ่การมีสองบุ ค, คลิกในตัวตน Notes from Underground เป็นบทประพันธ์ที่กล่าวถึงปมความขัดแย้งในจิตใจระหว่างเจตนากับเหตุผลผู้ประพันธ์ได้กล่าวถึงจุดยืนของท่านในเรื่องของการละวางเหตุผลและเลือกเดินตามเจตนารมของจิตใจ ผ่านบทบาทตัวนำในเรื่องทริสดีซูเปอร์ฮิวแมนของนิตเช่มาจากแรงบรรดานใจของท่านผู้นี้ในหนังสือชื่อ Notes from Underground คุณเห็นด้วยกับเขาไหมสหายคนหนึ่งของอาตมาชื่อเฮนรี่เดวิดทอโรกล่าวไว้ว่าเฮนรี่เดวิดทอโร่ 1817-1862 เป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลยิ่งผู้หนึ่งในแวดวงนักคิดและวรรณกรรมของอเมริกาคนที่มีสติสมบูรณ์ดีมักจะพบว่าตนไม่สามารถยอมรับในกฎเกณฑ์ที่สังคมส่วนใหญ่ยึดถือกันแต่จะเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์ที่สูงส่งกว่านั้นมากและไม่ว่าจะถูกทดสอบอย่างไรก็จะยึดมั่นต่อหลักเกณฑ์นั้นได้โดยมิคลอนแคลน อาตมาเหน็ดเหนื่อยเหลือทนกับความขัดแยง้งหวังเพียงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบมองหาเพียงหนทางที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องคล้อยตามโลกผินเพียเพ้ยนแต่ก็ไม่ต้องการจะเป็นปฏิปักษ์กับโลกใบนี้ปล่อยให้โลกมันเพี้ยนของมันไปเถอะอาตมาแค่ขอหลบฉากออกมาก็พอหากอาตมาเป็นคนที่ถือประโยชน์จากอะไรง่าย คนก็คงไม่ขนานนามว่าผู้จริงจังกับการสแสวงหาสัจธรรมอาตมาไม่สามารถจะเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะความเคารพนับถือแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพระพุทธดำรัสก็ตามและขอยืนยันว่าอาตมาเทิดทูนเคารพพระพุทธองค์ไว้สูงสุดเสมอแต่อาตมาก็ต้องการจะเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกเรื่องที่อาตมาเรียนรู้ก็คือการสื่อสารกับตนเองบุคคลเดียวที่อาตมาสื่อสารได้ด้วยดีจริงๆคือตัวอาตมาเองมันไม่ง่ายเลยกับการที่จะถ่ายทอดทุกเรื่องให้ตัวเองรับรู้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้ทุกๆุกความเคลื่อนไหวความรู้สึกความโกรธหงุดหงิดกระวนกระวาย ถือดีเบื่อหน่ายอาตมาเบื่อหน่ายเฉพาะเวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ไม่เคยเบื่อหน่ายเมื่ออยู่ตามลําพังจนกระทั่งอาตมารู้จักตัวเองได้จําชัดทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละอาตมาจึงเข้าใจตัวเองได้ลุ่มลึกจริงๆคุณค่าของทุกสิ่งมาจากหัวใจจริงอย่างที่สุด อาตมาเคยเป็นพวกปัญญาชนจึงเคยให้คุณค่าแก่ความรู้และเหตุผลมากจนเกินเหตุเคยอ่านตำรับตำราว่าโดยทุกสัพ า, าสตรมามากมายหลายพันเล่มบัดนี้แม้ว่าจะยังคงให้ความสำคัญแก่ความรู้และเหตุผลอยู่เช่นเดิมแต่อาตมาก็แทบไม่ได้อ่านตำรับตำราอีกเลยยิ่งไปกว่านั้นอาตมา ยังไม่สามารถแสดงธรรมได้อีกต่อไปเพราะรู้สึกว่าตนกาลังกล่าวถึงสิ่งที่ตนเพียงตีความเอาเองเท่านั้น้ดยเหตุนี้อาตมาจึงใช้วิธีพูดคุยและเล่าประสบการณ์ที่ตนเรียนรู้มาแทนหัวใจของอาตมาเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆอุดมการมีความสำคัญสำหรับอาตมาน้อยลงทุกทีอาตมา ไม่มีสูตรสำเร็จในการดำเนินชีวิตแต่จะมองลึกลงไปในจิตใ จ, ใจตัวเองมากกว่าความควรหรือไม่ควรไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปอจตมาเชื่อหัวใจของตัวเองมากกว่ามันสมองสมองของอัตมาอยู่กับเหตุผลมากเกินไปเมื่อได้คล้อยตามหัวใจของตนเองก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์มากขึ้น อาตมาไม่อยากให้ใครมาประเมินตัดสินอาตมาต้องการเพียงคนที่เข้าอกเข้าใจอาตมาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบอันที่จริงแล้วนับวันอาตมาก็ยิ่งห่างจากความสมบูรณ์แบบออกไปทุกทีทุกทีจึงเข็ดขยะดผู้คนที่ชอบคิดประเมินตัดสินผู้อื่นขออยู่เพียงลําพังช่วงชีวิตที่ผ่านมา อาตมาเคยทำเรื่องอกุศลไว้มากมายแต่ก็ไม่ได้นึกตำหนิตนเองหรือผู้อื่นมีใครหรือที่ไม่เคยทำเรื่องอกุศลเลยอาตมาจึงได้แต่เพียรปฏิบัติธรรมและมีความสุขกับสิ่งนี้อาตมาชอบความมีระเบียบวินัยฉะนั้นหากพบว่าใครทำอะไรไม่ถูกต้องอาตมาก็ต้องตำหนิและตักเตือน การขัดแย้งกับผู้คนไม่ก่อให้เกิดผลดีอะไรแต่ตราบใดที่อาตมาไม่ได้ทำหรือพูดสิ่งใดด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงผู้อื่นจิตใจก็ยังสงบสบายอยู่ได้ความหมายจริงๆที่ต้องการจะกล่าวเอาไว้ตรงนี้ก็คืออาตมายังไม่เคยมีโอกาสพูดหรือทำตามความรู้สึกข้างในแท้ๆได้เลยด้วยเหตุนี้ อาตมาจึงอยากเข้าใจความสัมพันธ์กับผู้คนให้ชัดเจนขึ้นอาตมาไม่ชอบที่มีคนคิดว่าอาตมาเป็นบุคคลแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆ ท, ที่อาตมาไม่ได้เป็นแต่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนในโลกนี้ลุ้นอยู่กับความเข้าใจผิดๆและถึงแม้ว่าผู้คนจะเข้าใจอาตมาได้ถูกต้อง อาตมาก็ยังหงุดหงิดอยู่ดีตราบเท่าที่อาตมายังมองเห็นแรงจูงใจของตนเองได้ชัดเจนก็นับว่าพอใจแล้วเรื่องที่ยังมีองค์กรว่าจ้างคนโง่งมเข้าทำงานนั้นอาตมาก็เห็นด้วยกับคุณอาตมาเองก็มีประสบการณ์กับคนโง่ ม, มามากเกินพอแม้ตอนนี้อาตมาจะเข้าใจผู้คนมากขึ้น แต่ก็ไม่เคยนึกอยากจะโต้เถียงกับคนโง่งมเลยโดยเฉพาะผูกคนโง่ที่นึกว่าตนฉลาดตอนนี้อาตมาละวางการยึดติดผู้คนและองค์กรต่างๆลงมากขึ้นไม่คิดมากเรื่องความช่วยเหลือภายใต้หน้ากากของความช่วยเหลือนั้นคนบางคนอาจฉกฉวยประโยชน์เอาจากคนด้วยกันเองเพื่อส่งให้ตนสำคัญและยิ่งใหญ่ขึ้นก็เป็นได้ ใครก็ตามที่ต่อสู้กับอสูรร้ายพึงระมัดระวังให้ดีด้วยว่าในกระบวนการต่อสู้นั้นตนมิได้กลายเป็นอสูรร้ายไปเสียเองใครสักคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าอะไรนะบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือฉันเคยเห็นแค่นักแสดงที่สวมบทพระเอกในอุดมคติไว้เท่านั้นแหละอย่างมากที่สุดที่อาตมาจะทำได้ก็คือ แสดงออกให้ชาวโลกได้รู้ว่าอาตมาไม่ใช่คนงวงมไม่งมงายกับอะไรง่ายๆอาตมาเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจนแทบไม่กล้าบอกว่าทัศนคติในปีหน้าของตนเองจะเป็นอย่างไรอาตมาพบว่าอุดมการมากมายไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วนี่อาตมาจะสอนอะไรได้ ความเปลี่ยนแปลงในตัวของอาตมายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆตลดความหลงในภาพมายาทีละอย่างทีละอย่า ง, อ า, งอาตมาไม่เคยอยากจะเข้าไปขัดจังหวะมันมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ค่อยๆตื่นจากภาพฝันอันสวยหรูขึ้นมาพบกับความเป็นจริงที่ไม่น่าพิสมัยค่านิยมในตัวอาตมาเปลี่ยนแปลงไปมาก จนอาตมารู้สึกลำบากใจในการสื่อสารกับผู้คนอยากจะเห็นทัศนคติของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปกว่านี้เสียก่อนคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงไหมหวังว่าคงจะไม่หรอกนะหากคุณกลัวความเปลี่ยนแปลงก็คงคบกับอาตมาได้ยากเสียแล้วเราอยากเปลี่ยนตัวเราให้แตกต่างยิ่งไปกว่านี้เพราะเหตุใดหรือ เพราะเรายังไม่ดีพอจนยอมรับไม่ได้หรือเพราะหลงในอัตราตัวตนใครคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าผมอยากบรรลุพระนิพพานส่วนอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าผมอยากเข้าใจความโลภความโกรธความมานะถือดีความลังเลสงสัยและอื่นๆให้ท่องแท้คุณคิดว่าทัศนคติแบบไหนจึงจะถูกต้อง ผู้คนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตไปอย่างไร้ทิศทางเพราะเอาแต่มองหาทิศทางจากภายนอกทิศทางที่หาได้จากภายนอกนี้หาใช่ทิศทางที่ถูกต้องไม่แต่กระนั้นมันก็อาจจะชี้แนะให้ผู้นั้นค้นพบทิศทางที่ถูกต้องภายในตนเองได้หากหาทิศทางจากภายในไม่พบบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจะหลงทาง มีเพียงผู้ที่กำลังสิ้นหวังกับความไร้สาระมืดบอดและไร้ทิศทางเท่านั้นที่มีโอกาสค้นพบทิศทางได้กว่าที่ใครคนหนึ่งจะดิ้นรนมาจนถึงจุดสิ้นหวังกับปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นยอมต้องใช้ปัญญาและการพินิจพิจารณาอย่างยิ่งเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ทรงมีสภาวะจิตเช่นนั้นก่อนจะเสด็จออกผนวดจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนส่วนมากแค่มองหาอะไรที่แตกต่างแค่อยากเปลี่ยนแปลงจึงฉวยอะไรก็ได้ง่ายๆใกล้ๆตัวคนเราชอบถูกหลอกลวงมันจึงยากที่จะปลดแอกพวกเขาออกจากความคิดผิดๆที่ยึดติดอยู่ยิ่งไปกว่า น, นั้นหากคุณไปกล่าวอะไรที่กระทบกระเทือนความเชื่อที่เขาแสนจะหวงแหนความหวังความฝันและอื่นๆ เขาก็จะยิ่งหงุดหงิดไม่พอใจผู้คนส่วนใหญ่มักหลงไหลงมงายกับเรื่องในตำนานและแท่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะฉุดให้เขาละวางความเชื่อเหล่านั้นดูดูแล้วก็เหมือนเด็กๆหากไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกาะเกี่ยวเอาไว้ก็จะรู้สึกคล้ายลูกแกะหลงทางหรือไม่ก็กลายเป็นโครงกระดูกไร้ชีวิตเพราะฉะนั้น ้าคุณจะปลดเอาสิ่งที่พวกเขาหลงงมงายออกไปคุณก็ต้องหาอะไรใหม่มาให้พวกเขายึดแทนมนุษย์เราแก่ตัวลงแต่ไม่ได้เติบโตขึ้นเชื่อมั่นศรัทธาปแปลว่าไม่ต้องการรับรู้ความจริงความซื่อสัตย์ทางวิชาการช่างหายากยามที่ครูสอนลูกศิษย์ครูมักจะพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจทั้งทั้งที่ครูเอง ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในสิ่งที่ตนกำลังสอนและไม่เคยตั้งข้อสงสัยอะไรเลยจริงหรือที่เขาไม่เคยสงสัยอะไรเลยเป็นไปได้จริงๆรหรืออาตมาต้องการจะมีชีวิตอยู่กับความกระจ่างชัดไม่ใช่ในความฝันยามที่อาตมาได้อยู่ตามลำพังโดยไม่ต้องพูดคุยก็เหมือนได้อยู่ในอีกโลกหนึ่งอาตมาเรียกโลกใบนี้ว่า โลกแห่งจิตวิญญาณแต่หากต้องเจรจาเรื่องราวทางโลกกับผู้คนมากเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับลงมาสู่โลกที่ยังหลงไหลไปกับความเพลิดเพลินและวัตถุนิยมซึ่งเป็นโลกที่เพี้ยนและผิวเผินเหลือเกินรู้สึกเหมือนถูกบีบบังคับให้ต้องฟังและร่วมพูดคุยโต้อตอบไปกับพวกเขาใครบางคนอาจมาลืมเสียแล้วว่าเป็นใคร เคยบอกอาตมาว่าคนจำนวนไม่น้อยสวมใส่เครื่องเพชรเครื่องทองมากมายเพราะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าไม่ต้องสวมใส่เครื่องประดับเหล่านี้เพื่อให้ตนมีค่าขึ้นมาบางคนก็สะสมเพชรพลอยอั ญ, ญมณีเครื่องประดับแพรวบางก็สะสมยอดเงินฝากในธนาคารไว้สูงลิบลิว้วและบางก็ตะเกียกตะกายอยากเป็นรัฐมนตรีหรือท่านประธานต่าง ลองสังเกตความยืดอกพองฟูของคนเหล่านี้ยามสมหวังดูสิถ้าคุณไม่เรียกความดิ้นรนเหล่านี้ว่าความเพี้ยนอาตามาก็ไม่รู้เลยว่าความเพี้ยนจะหน้าตาเป็นอื่นไปได้อย่างไรไม่มีหนทางอื่นแล้วหรือที่จะทำให้คนเรารู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาได้จำได้ว่ามีคนกล่าวว่าโลกนี้มีความเจ็บปวดมากมายเหลือเกิน อาตามายอยากจะขอเพิ่มเติมว่าโลกนี้ก็มีความไร้สาระมากมายเหลือเกินเช่นกันไม่ว่าคุณจะพีนพยายามหลีกเลี่ยงละครน้ำเน่าพวกนั้นสักเพียงใดคุณก็จะถูกบีบบังคับให้เข้าไปร่วมแสดงด้วยจนได้อยู่ดีคุณเคยเข้าตาจนบ้างหรือยังผู้คนทั้งภิกษุและคารวาดมักกล่าวสิงพระอรหันต์ว่าผู้บรรลุเป็นพระอรหรันต ถ้าอัตติจะแปลเปลี่ยนเป็นพระธาตุขนาดเท่าเม็ดลูก ป, ประคำดูราวกับว่าพระาธาตุคือหลักเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์แล้วหรือไม่อัตมาขออยู่ให้หาความคิดเหล่านี้ถ้าอาัตติแปลเปลี่ยนเป็นพระาธาตุหมายความว่าอย่างไรหรือการพยายามกันเอาตนเองออกมาไม่ให้ถูกดูดเข้าไปร่วมวงสนทนาด้วยนั้น ต้องอาศัยสติอย่างมากอาตมาต้องการความสงบสงัดมากกว่านี้เพื่อจิตที่สงบสุขจิ้งขึ้นในวงสนทนาเราสามารถกรองเอาเรื่องไร้สาระเรื่องสันนิษฐานคิดเหมาเอาเองและเรื่องโกหกหลอกลวงทั้งหลายทิ้งไปได้ก็แทบไม่เหลือเรื่องราวให้พูดคุยสักเท่าใดเลยนับวันอาตมาก็เบื่อการคาดคิดเอาเองมากขึ้นทุกทีทุกทีทกท หากคนเราสันนิษฐานหรือคิดเอาเองมากเกินไปชีวิตก็ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพึงระวังบุคคลที่ยึดติดกับเกียรติยศชื่อเสียงที่มาจากงานทางศาสนาหรือศิลธรรมจัญญาทั้งยังพยายามทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งเกียรติคุณอันน่ายกย่องนั้นเมื่อใดที่เขาเหล่านี้ทำผิดพลาด ต, ต่อหน้าเราหรือรายยิ่งไปกว่านั้นก็คือผิดพลาด ต, ต่อเรา เขากลับจดจำเราอย่างไม่มีวันให้อภัยและกลายเป็นคนที่ใส่ร้ายป้ายสีเราได้ทุกเมื่อแม้จะยังคงมิตรภาพกับเราอยู่ก็ตามคนที่ชอบคาดคิดอะไรอะไรเอาเองมักจะกระทาทุกอย่างด้วยการคิดสันนิษฐานในสถานการณ์ที่ตนก็สันนิษฐานขึ้นเอาเองอีกแล้วดำเนินชีวิตอยู่กับชีวิตที่คิดสันนิษฐานไปเองตลอดเวลา อาตมาคงจะกลายเป็นคนคิดแวกแนวมากขึ้นทุกทีและคงต้องยอมเลือกทางเดินที่มีผู้ร่วมทางน้อยยิ่งกว่าน้อยอาตมาได้พบเพื่อนเก่าบางคนและต้องเผชิญความจริงที่ว่าการที่อาตมาเป็นคนคิดแหวกแนวมากขึ้นทำให้พูดคุยกับเพื่อนยากขึ้นทุกทีตอนนี้อาตมาพยายามเข้าใจและปรับตัวอยู่อาตมาคงจะต้องคบหามิตรใหม่ๆ และสูญเสียมิตรเก่าๆบางคนไปคนส่วนใหญ่กลัวที่จะคบหากับคนที่แหวกแนวพวกเขากลัวการเปลี่ยนแปลงและรู้สึกมั่นคงกว่ากับความคิดเห็นเดิมๆตามแนวที่ตนคุ้นเคยความคิดเห็นใหม่ๆมันดูคุกคามและผู้ที่คิดอะไรใหม่ๆก็ดูไม่น่าเชื่อถือ สิ่งที่ทำให้อาตมาท้อแท้สิ้นหวังกลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับหลายหลายคนอาจเป็นเพราะอาตมาไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเลี้ยงชีพทำให้อาตมาจริงจังกับบางเรื่องที่ไกลเกินกว่าผู้คนจะนึกไปถึงเพราะอาตมาอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ที่ให้เชื่อและศรัทธาอย่างไร้ข้อโต้แย้งใดๆอาตมา จึงมีอิสระเต็มที่ในการหาคำตอบให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการจะบอกก็คือยามที่อาตมารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดแรงอาตมาจะหูนกลับมามองเรื่องง่ายๆในระดับพื้นฐานพยายามมองชีวิตใหม่อีกครั้งโดยไม่ประเมินตัดสินหรือมีอคติใดๆ หนะห้วงขนาดจิตที่สงบและกระจ่างใสไร้การยึดติดนั่นเองที่อาตมาพบว่าไม่มีอะไรสลักสำคัญอีกต่อไปมีเพียงสัจธรรมพื้นฐานไม่กี่ประการที่ปรากฏชัดเจนในมโนสำนึกอาทิอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ถาวรอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความทยานอยากความอยาก ความยึดติดความเกาะเกี่ยวผูกพันความทุกข์ความไม่น่าพึงพอใจความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจโลภะความกระหายอยากได้โทสะความโกรธเกลียดคิดประทุษร้ายและโมหะความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงร้ายที่สุดคือความหลง การไม่มีโอกาสตามดูจิตเลยช่างเลวร้ายเกินทนชีวิตมันเกลื่นกล่นไปด้วยสิ่งล่อใจคนคนหนึ่งจะต้องทนทุกข์มากมายเพียงใดหากจำเป็นต้องสวมบทเป็นตัวตลกงงงมคุณว่าจริงไหมสหายรักคุณคงจำบทความนี้ได้นิตเชอร์พูดเอาไว้เมื่อกล่าวถึงเชคสเปียร์หากจะให้อาตมากล่าวถึงสิ่งที่ท่วมท้นอยู่ในใจ ก็คงจะลงเอยเป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสการเป็นคนซื่อตรงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอาตามาก็อยากเป็นคนเปิดเผยและซื่อตรงกว่านี้แต่ก็ไม่อยากก่อความเดือดร้อนใส่ตัวเองออาตามาเรียนรู้มาแล้วว่าควรจะเก็บปากเก็บคำหรือมิฉะนั้นก็เข้าป่าฝังตัวเป็นรูสีชีไพยไปเลยบนโลกแห่งความผิวเผินที่อภิมหาวุ่นวาย อภิมหาว่องไวและอภิมหาเร้าใจให้วาวุ่นยังเหลือความหวังใดๆให้มนุษยชาติดำรงสติได้ด้วยหรือนับวันคนเราก็เริ่มจะคล้ายกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปเข้าไปทุกทีโคกพิมพ์เดียวกันออกมาหมดราคาถูกไร้ความแตกต่างและอยู่ในความนิยมได้เพียงสั้นๆอาตมาชอบสิ่งที่ตัดเย็บขึ้นตามสั่ง เสื้อผ้าปรียมด้วยรถนิยมและคุณภาพซึ่งสำคัญยิ่งและใช้งานได้คงทนอาตมาเคยอ่านเรื่องดาวเทียมจากตำราวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งดาวเทียมบางลูกจะโครจรรอบโลกโดยค่อยๆขยายเส้นรอบบ่งให้กว้างขึ้นเรื่อยๆมันจะโครจรห่างโลกออกไปทุกทีและเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะพ้นจากแรงดึงดูดของโลก และหลุดจากวงโครจรรอบโลกไปเลยอาตมา ก, กำลังรู้สึกคล้ายตัวเองเป็นดาวทีมลูกนั้นรู้สึกบ่อยขึ้นทุกทีและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งอาตมารู้สึกว่าไม่อยากพูดมากคนส่วนใหญ่พูดคุยกันเพียงเพื่อฆ่าเวลาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเรื่องสลักสำคัญอะไรที่จะบอกกล่าวแก่กันยิ่งไปกว่านั้น การที่เราพยายามสื่อสารเรื่องบางเรื่องจากความรู้สึกส่วนลึกก็อาจต้องเสี่ยงกับการถูกเข้าใจผิดผิดถูกขัวเราะยย่อความเข้าใจช่างเป็นปรากฏการณ์ที่หายากและสูงด้วยคุณค่าเสินี่กระไรแบบเดียวกับที่แพทย์มักกล่าวว่าไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่มีสุขภาพสมบูรณ์คนที่รู้จักมนุษยชาติดีก็คงกล่าวว่าไม่มีมนุษย์สักคนเดียว ที่ไม่ท้อแท้แม้แต่น้อยอีกทั้งในส่วนลึกยังแอบซ่อนความกระวนกระวายกระสับกระส่ายสับสนขัดแยง้งขาดความประสานกลมกลืนเอาไว้และยังกังวลกับบางสิ่งบางอย่างที่ตนไม่รู้จักหรือไม่กล้าแม้แต่จะทําความรู้จักกังวลกับโอกาสในการดํารงอยู่หรือกังวลเกี่ยวกับตนเอง และเหมือนกับที่แพทย์พูดถึงผู้คนที่ล้วนสัญจรไปมาด้วยร่างกายที่อมโรคมนุษย์ทุกคนก็นล้วนดำเนินชีวิตอยู่กับจิตใจที่ป่วยไข้ซึ่งสังเกตเห็นอาการได้ยากมีเพียงความกังวลกระวนกระวายที่อธิบายสาเหตุไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ความป่วยไข้เกียร์เกอร์กาเกียร์กร์การ 1,813-1,855 นักคิดและนักปรัชญาชาวเดนมาร์กเป็นคริสตศา ส, สนิกชนที่มักถากถางจารีดเก่าเขามองว่านักปรัชญาไม่ควรยึดกับทฤษฎีที่ผิวเผินและไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงแต่ควรถอยกลับเข้าไปสำรวจจิตใจของตนเองปลดปล่อยความเจ็บปวด ความดิ้นรนสับสนและความเหลวไหลไร้สาระในจิตใจทิ้งไปและทำให้ตัวตนแท้ๆของแต่ละคนเป็นจริงขึ้นมาเขาเชื่อว่าความเป็นตัวตนนั้นมาก่อนธรรมชาติกล่าวคือเหตุผลที่ทำให้คนหนึ่งคนหนึ่งเป็นคนคนนั้นได้ถูกกำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วและมีมาก่อนที่ผู้นั้น จะรู้จักตัวตนของตนเองด้วยซ้ำโดยเหตุนี้เขาผู้นั้นย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในตัวตนที่เกิดมาแต่ควรจะพัฒนาตัวตนนั้นให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นแนวคิดของเขานำไปสู่ปรัชญาเ x ็ s ซ e n เ i น l ช s m ลซมของตะวันตกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตถาคตยังอาจกล่าวได้ว่าบุคคลบางคน มีสุขภาพกายดีอยู่หนึ่งวันสองวันหนึ่งปีสองปีแต่หากมีใครสักคนกล่าวว่าเขาผู้นั้นมีสุขภาพจิตดีอยู่แม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามก็พึงกล่าวได้เพียงว่าผู้พูดนั้นเป็นคนง่งมคนหนึ่งเข้าใจว่าผู้ประพันธ์น่าจะหยิบยกจากสังยุตตนิกายขันธวัชหนึ่งขันธสังยุต นั ก, กุลปิตุสูตรแต่เนื้อหาแตกต่างไปกิเลสคือโรคภัยชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสหายรักคุณเป็นใครกันหรือเป็นคนมีสุขภาพจิต ด, ดีหรือว่าเป็นคนโง่โ ง, งม catch 22 catch 22ข้อความนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากในอเมริกาโดยมาจากชื่อนวนิยายเรื่องดังของอเมริกัน ยุคหลังสงครามช่วงทศวรรษ1950ถึง1970แต่งโดยโจเซฟเฮเลอร์ต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเรื่องเดียวกันผู้ประพันธ์เคยเป็นนักบินทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและร่วมรบในสงครามเกาหลีนวานิยายเรื่องนี้สะท้อนตัวตนของเขาดังตอนหนึ่งที่เล่าว่า ถ้าคุณไม่อยากบินไปทิ้งระเบิดคุณก็ต้องรายงานกับจิตแพทย์ว่าคุณอยากบินไปทิ้งระเบิดเสีเหลือเกินเขาก็จะพิจารณาว่าคุณมีปัญหาทางจิตและจะไม่อนุญาตให้คุณขึ้นบินแต่ถ้าคุณรายงานไปตามตรงว่าคุณไม่อยากจะบินไปทิ้งระเบิดเขาก็จะเห็นว่าคุณมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ดี น่าจะมอบหมายหน้าที่ที่มันหนักหนากว่าการขึ้นบินเฉยๆนี้ให้คุณทำนี่คือความไหนอันขัดแย้งที่ซ่อนเงื่อนอยู่หากคุณตอบว่าคุณมีสุขภาพจิต ด, ดีก็แปลว่าคุณเป็นคนโง่งมเกียร์เกอร์กาศดยังได้กล่าวไว้อีกว่าการมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษเป็นข้อดีข้าพเจ้า ไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าการเป็นบุคคลคนเดียวในยุคแห่งความเครียดนี้ที่ไม่เครียดคุณชอบข้อความนี้ไหมคุณเองก็อยากตายทั้งทั้งที่ยังหัวเราะได้ไม่ใช่หรืออาตมาขอคัดลอกตอนหนึ่งจาก An End to Innocence มาให้อ่านยังมีผู้บริสุทธิ์แบบคามารลออีกประเภทหนึ่งที่จงใจรักษาภาพพจน์นักบุญของตนเองอย่างทุ่มเท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งโดยว่าปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อนักบุญผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินนั้นอาจอำนวยประโยชน์ต่อบุคคลผู้นั้นได้ไม่น้อยทีเดียวถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็กลับพบว่าความพยายามรักษาภาพพจน์อันใสซื่อบริสุทธิ์ไร้มนทิ น, น, นั้นกลับทาให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีงามเกินจริงไป อาตมาครุ่นคิดกับบทความข้างต้นนี้อยู่นานทีเดียวยังมีอีกหลายประโยคเช่นความตั้งใจที่อภิมหาประเสริฐมักจบลงด้วยการกระทําที่อภิมหาเลวและคนที่ดีเกินจริงเหล่านี้บางคนก็เป็นทุกข์กับผลลัพธ์จากการกระทาอันงมงมของตนจนต้องพึ่งจิตแพทย์คุณมีความเห็นอย่างไรต่อไปนี้ คือข้อสังเกตของอาตมาคนที่ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้มักชอบคุยฟุ้งถึงการช่วยเหลือคนอื่นอาจเป็นเพราะพวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยกระมังช่วยคนอื่นให้ช่วยเหลือตัวเองได้จะได้ไม่ต้องกลับมาพึ่งพาตนอีกคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพากันเอาเรื่องจิตวิญญาณไปปนเปกับศรัทธาที่งมงาย อาตมาเองกลับมองหาอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณบางคนไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและพึงกระทำที่สุดในชีวิตและคิดว่าสิ่งสำคัญยิ่งที่คนเราพึงทำในชีวิตคือการอนุเคราะห์ผู้อื่นเผยแผ่ธรรมะและทุ่มเทบริบาลช่วยเหลือพื่นมนุษย์ที่จริงแล้วหนทางสำคัญยิ่ง ที่ผู้มีปัญญาพึ่งดำเนินชีวิตก็คือภาคเพียรเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองให้ลึกซึ้งลงไปโดยความมุ่งมั่นกระตือรือร้อนและซื่อตรงต่อตัวเองการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสำคัญเป็นอันดับรองอีกประการหนึ่งที่อาตมาเห็นได้ชัดเจนขึ้นก็คือโดยไม่รู้ตัว อาตมาเคยพยายามดิ้นรนแสวงหาขนทางดำเนินชีวิตที่เหล่าปัญญาชนยอมรับและสมเหตุสมผลในทุกๆด้านทั้งให้เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนกังวลและเคารพในความคิดและความเข้าใจของผู้อื่นมากเกินไปมาถึงตอนนี้อาตมาเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นหาได้มีความสำคัญเลยไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องพยายามอธิบายทุกสิ่งที่อาตมากระทำลงไปแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็ทําตามใจตนเองเสมอแต่ก็มักขนวายหาเหตุผลที่ผู้อื่นจะยอมรับได้มาเที่ยวอธิบายให้ใครๆฟังมาบัดนี้อาตมามองเห็นแล้วว่าชีวิตส่วนตัวของอาตมาไม่เกี่ยวกับผู้ใดอาตมามีชีวิตและจะดารงชีวิต ตามทางที่ตนพอใจและไม่สนใจที่จะต้องเดินไปบนเส้นทางที่ผู้อื่นขี่เส้นให้เดินอาตมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับองค์กรใดๆอีกทั้งสิ้นหลุนแล้วแต่มีเรื่องพูดกันจนมากเกินทะเลาะเบาะแวงชิงดีชิงเด่นสาตรโครนใส่ร้ายป้ายสีอาตมาต้องการจะไปให้พ้นจากเรื่องเหล่านี้มั่นใจตัวเองว่า ไม่ใช่คนประเภทที่จะอยู่กับองค์กรใดๆได้และไม่เคยคิดจะเป็นแต่หากมีใครผ่านมาให้ช่วยบนเส้นทางของอาตมาเองก็จะยินดีช่วยอย่างเต็มที่เพราะเคยชินกับการมองว่าตนเองก็คือมนุษย์จึงใส่ใจกับทุกสิ่งที่เป็นปัญหาของมูลมนุษยชาติจะผิดหรือถูกก็ตาม อาตมาก็เรียนรู้บนขนทางนี้มาไม่น้อยเลยตอนนี้อาตมาเข้าใจแล้วว่าภาระใหญ่หลวงที่เคยแบกไว้คืออะไรทำไมอาตมาจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยอาตมามีนิสัยชอบแก้ปัญหาเราเป็นใครหรือเราจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้อย่างไร แค่ปัญหาของตนเองก็มากเกินพอแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าชีวิตอาตมาปราศจากปัญหาก็จริงอยู่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญแต่ก็ยังมีปัญหาในแบบของอาตมาเองอาตมาดิ้นรนค้นหาคำตอบให้คำถามของตนเองซึ่งเป็นคำถามประเภทที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยนึกถึง และคำตอบที่คนส่วนใหญ่พอใจก็ไม่เคยทำให้อาตมาพอใจได้สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วคำตอบทั้งหมดหาพบได้จากตำรับตาแต่ไม่ใช่แน่ๆสำหรับอาตมาปราศาสตที่สร้างขึ้นด้วยกระดาษพลิวลับหายไปตามแรงลมยากเหลือเกินที่จะปล่อยความฝันให้สูญสลายไปด้วยปัญหาจุกจิกยิบ ย, ย่อย ล้วนทำให้จิตใจวุ่นวายอาตมามีหลายๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการทุกครั้งที่อาตมาดิ้นรนอยากได้อะไรบางอย่างอาตมาก็มักจะคิดว่าเจ้าสิ่งนั้นน่าจะช่วยให้ชีวิตมีความหมายขึ้นแต่ครั้นพอได้มันมาแล้วก็กลับพบว่ามันผิวเผินเกินไปมันเป็นเพียงแค่ทางเดิอนอีกก้าว เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องละวางลงทุกๆุกครั้งที่ละวางลงได้ก็จะเกิดความรู้สึกตื่นรู้ขึ้นมาแทนจนกว่าจะไม่เหลืออะไรให้ต้องละวางอีกต่อไปสิ่งที่อาตมาได้ทำไปแล้วและที่กําลังทําอยู่ล้วนมีความสำคัญยิ่งต่ออาตมาแต่ดูเหมือนจะไม่สำคัญเลยสําหรับใครต่อใครเมื่ออาตมาตายไปผู้คนก็คงลืมเลือน หาได้เหลือความสลักสำคัญอันใดฉะนั้นสิ่งที่อาตมาให้ความสำคัญยิ่งจึงเป็นการดำเนินชีวิตบนขนทางที่พึงพอใจที่สุดและเปลี่ยนด้วยความหมายที่สุดต่อตอนเองทั้งคำยืนยอและข้อตำหนิหาได้มีความสำคัญต่ออาตมาเพราะมันล้วนเกิดจากอคติทั้งสิ้นมาบัดนี้ หลายต่อหลายอย่างหมดความหมายและไร้สเสน่ห์สำหรับอาตมาลงไปทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือแม้แต่ศาสนาสิ่งที่ผู้คนเชื่อถือศรัทธานี่ช่างหน้าทึ่งจริงๆดูราวกับว่าหากปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เชื่อมั่นศรัทธาคนเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ อาตมาเคยสงสัยว่าชีวิตของอาตมาจะเป็นเช่นไรหากอยู่โดยไม่เชื่อถือหรือคาดหวังในสิ่งใดๆเลยสักอย่างเดียวคุณนึกภาพนั้นออกไหมโลกช่างยุ่งเหยิงวุ่นวายวุ่นวายและวุ่นวายอย่างไร้ความจำเป็นมันเป็นความบ้าและไร้สาระบนโลกใบนี้มีชีวิตที่ฉลาดเฉลียวบ้างไหม แต่อะไรหรือคือความฉลาดเฉลียวการไม่ได้ทำสิ่งที่เปลี่ยนด้วยความหมายต่อตอนเองจริงๆแต่กลับไปทาสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังให้ทำช่างเป็นความสูญเปล่าสิ้นดีคุณเคยรู้บ้างไหมว่าอะไรมีความหมายต่อคุณและสร้างความพึงพอใจให้คุณได้อย่างแท้จริงบ้างแค่รู้สึกเป็นสุขเท่านั้นยังไม่พอ อาตมายังต้องการเข้าใจทุกอย่างให้ลุ่มลึกความเข้าใจหาได้เป็นแค่ความนึกคิดหากแต่เป็นการดำเนินชีวิตกับชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตในฝันแม้ว่าภายนอกของอาตมาอาจจะดูคล้อยตามขนบประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ภายในจิตใจของอาตมาช่างเป็นชีวิตที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง เจ้านักวิจาร์ในจิตใจของอาตมามันน่ารำคาญจริงๆเจ้าตัวยุ่งยากมันจะคอยใส่เชิงอัดกำกับทุกสภาวธรรมที่เกิดขึ้นอะไรหรือที่ต้องการให้ผู้คนเรียนรู้แล้วต้องการให้ผู้คนเปลี่ยนไปอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปก็แล้วคุณดาเนินชีวิตของคุณไปอย่างไรหรือตอนนี้ อาตมากำลังอ่าน concluding unscientific p r o s c r i p t ของซ o so ร e n รน e r k e g a a r าหน้าแปลกที่อาตมาอ่านได้อย่างเพลิดเพลินอาตมาชอบสไตล์การเขียนของเขามากทีเดียวยังมีหนังสือของเขาอีกเล่มชื่อ sickness unto death ซึ่งอาตมาอ่านไปแล้วอย่างคร่าวๆ ค, คงต้องกลับไปอ่านซ้ำอีกหน คุณรู้จักหนังสือเกี่ยวกับ existential philosophy ดีๆอีกบ้างไหมอาตมาอยากจะขอหยิบยกเอาตอนหนึ่งจาก concluding unscientific postscript มาให้อ่านเอาละเรามาว่ากันต่อแต่ก่อนอื่นขอเพียงเราไม่หลอกลวงซึ่งกันและกันข้าพระเจ้ายอ h a n n น s สคิมาคัสนามปากกาของเขาเมื่อประพันธ์หนังสือเล่มนี้ เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีได้มากหรือน้อยไปกว่านี้และขอถือเอาว่าใครก็ตามที่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้สนทนาด้วยต่างก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันแต่หากพบว่าผู้ใดเป็นลักคิดประเภทที่คว้าปรัชญาขึ้นมาจากอากาศโดยหาได้อยู่บนรากฐานแห่งความเป็นจริงไม่ข้าพเจ้าก็ขอปฏิเสธ ที่จะสนทนากับคนผู้นี้และจะถือว่าเขาไม่มีตัวตนทั้งในสายตาของข้าพเจ้าและของมนุษย์ทุกคนซอรเรนเกียร์เกอร์กาศช่างกล่าวได้เยี่ยมยอดจริงๆเหมือนอย่างที่อาตมารู้สึกกับตัวเองและคนอื่นเลยทีเดียวอาตมาหาได้เป็นเพียงแค่ภิกษุรูปหนึ่งแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีได้มากหรือน้อยไปกว่านี้ และอาตมาก็อยากจะสนทนาพูดคุยกับมนุษย์ด้วยกันเมื่อใดที่ต้องพูดคุยกับคนที่ชอบสูงบทบาทอยู่ตลอดเวลาอาตมาจะสับสนมากทีเดียวการจะเรียกขานตนเองว่าเป็นภิกษุหรือนักปราชหรือนักปรัชญาล้วนจำกัดเกินไปขับแคบเกินไปตายตัวเกินไปพุทธศาสนิกชน เป็นคำที่เรียกขานกันขึ้นมาใหม่ในยุคโบราณเขาใช้คำว่าสัมมาทิิวาทีผู้มีความเห็นชอบทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนมีสัมมาทิิกันหรือเปล่าฉันมั่นใจอยู่แล้วว่าเธอทำเรื่องเลวร้ายได้ทุกเรื่องเพราะเหตุนี้ฉันถึงอยากได้ความดีจากคุณนิเชอร์ อาตมาก็อยากจะมีอารมณ์ขันได้เหมือนมาร์คทเวนมาร์คทเวน 1,835-1,910 นามปากกาของเอสแอลเคลเมนส์นักประพันธ์ชาวอเมริกันที่สร้างผลงานลือชื่อในด้านอารมณ์ขันและความฉลาดหลักแหลมหรืออย่างน้อยก็เหมือนพวกคุณคนเราต้องมีอารมณ์ขันกันบ้างจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ ปกป้องตนเองได้โดยไม่คลั่งไปเสียก่อนอาตมาเป็นคนเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เกินไปมนุษย์เราคิดอะไรแบบตรงไปตรงมาไม่เป็นหรืออย่างไรอาตมามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้มีภิกษุรูปหนึ่งแวะมาหาอาตมาท่านอายุสามสิบเกปีและคุ้นเคยกับอาตมานานแล้วท่านเล่าว่า ท่านมุ่งมั่นจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่เพียงแค่นั้นท่านยังยืนยันมั่นเหมาะว่าท่านกําลังจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ๆพออาตมาไม่จริงจังไปกับท่านด้วยโดยตอบท่านว่าไม่มีใครมั่นใจเรื่องนี้ได้หรอกคุณปรากฏว่าท่านโกรธเสียยกใจและร่า ย, ยาวเพื่อจะกล่อมอาตมาให้คล้อยตามท่านให้ได้อยู่นานถึงสองชั่วโมง ท่านเที่ยวแวะเวียนไปทั่วเพื่อจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าท่านกำลังจะเป็นพระพุทธเจ้าอาการเพี้ยนหลงตัวเองแบบนี้พบได้บ่อยๆในพมา่าแทนที่จะอารมณ์เสียฟังแล้วก็หวเราะไว้ดีกว่าอาตมาคงเลื่อนลอยไปด้วยไม่ไหวแน่อยากจะตอบแบบ TPS ด้วยําว่าจริงๆเหรอ เนื่องจากสิ่งต่างๆลู้นหมดความสำคัญสำหรับอาตมาลงไปทุกทีทุกทีและพบว่าเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลสงสัยว่าจริงหรือไม่นั้นอาตมาเองก็แทบไม่สนใจจะพูดถึงประสบการณ์ในปัจจุบันขนาดต่างหากที่สำคัญกับอาตมามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไม่ดิ้นรนพยายามที่จะบรรลุอะไรอาตมา กลับมองเห็นทุกอย่างได้ง่ายๆและชัดเจนมากขึ้นตอนนี้อาตมารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาตมามากขึ้นแล้วสภาวะธรรมณปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่อาตมารับรู้และให้ความสำคัญไม่ว่าจะชอบมันหรือไม่ก็ตามเมื่อไม่มีอะไรมาทำให้เบี่ยงเบนการตามรู้ก็ง่ายขึ้นมาก เราต้องเลือกสละทิ้งความคิดที่จะโอนอ่อนคล้อยตามผู้อื่นอจตมาคิดว่าหน้าที่สำคัญที่สุดของคนเราของอัตมาก็คือพยายามศึกษาและเข้าใจตนเองให้ดีเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ลึกซึ้งมิใช่มองแค่ในเชิงปรัชญาเท่านั้นต้องเข้าใจแรงจูงใจและทัศนคติของตนเองให้ชัดเจน ไม่ว่าจะพูดหรือกระทำอะไรก็ตามและเมื่อได้ยินหรือเห็นสิ่งใดก็ต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกที่ตนมีต่อสิ่งนั้นโดยไม่บิดเบือนอย่าให้ใครมาหลอกลวงได้และต้องไม่หลอกลวงตัวเองด้วยอีกทั้งต้องไม่คล้อยตามใครไปง่ายๆอาตามาจะไม่มุ่งมั่นกับอุดมการเพียงเพราะมันดูสวยหรูแต่จะดูให้แน่ว่า มันมีความเป็นไปได้โดยธรรมชาติและผลลัพธ์ของมันคืออะไรหากจะตัดสินลงมือทำอะไรก็ต้องรู้ขีดความสามารถของตนเองด้วยเมื่อใดที่อาตมาเข้าใจเรื่องของตนเองเหล่านี้ได้ท่องแท้แล้วนั่นแหละจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้มิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นการหลอกลวงตนเองและหลอกลวงผู้อื่นภายใต้หน้ากากของความช่วยเหลือไป การช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะกลายเป็นการสร้างความสำคัญให้ตนเองอย่างที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปนี่แหละที่ทำให้อาตมา ต, ต้องเอามาพูดซ้ำอีกขออภัยด้วยที่อาตมา ต, ต้องพูดซ้ำพูดซากเรามักจะไม่เอาทุระใส่ใจกับเรื่องที่เข้าใจชัดเจนไปแล้วถ่ายสิว่าเป็นคำพูดของใครคาตอบคือ n ิ t u r e อาตมาจะเล่าเรื่องของงูให้คุณฟังสักเรื่องการละครั้งหนึ่งมีงูอยู่ตัวหนึ่งวันเคราะห์หามยามร้ายเจ้างูตัวนี้โดนพึ่งต่อยเข้าที่หัวร้ายกว่านั้นก็คือพึ่งต่อยแล้วยังไม่ยอมปล่อยมีใหญ่ที่เจ้างูจะพยายามสกัดพึ่งก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่หัวของมันขณะนั้นเองงูมองเห็นกลนเล่มหนึ่ง ซึ่งบรรทุกสิ่งของหนักอึ้งกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาจึงบอกร้องเจ้าพึ่งโตแสบว่าเดี๋ยวได้เห็นดีกันจากนั้นมันก็เลื้อยเข้าไปหาเกวียนเล่มนั้นแล้วท่อตัวเอาหัวตรงที่พึ่งกำลังเกาะอยู่เข้าไปขวางล้อเกวียนล้อเกวียนจึงแล่นทับพึ่งตายสมใจงูลงโทษเจ้าพึ่งได้สาเร็จถามว่างูมันฉลาดไหม โลกไม่เคยขาดคนฉลาดประเภทนี้เลยนะคนเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างขุดรากถอนโคนการเปลี่ยนแปลงตนเองจะเกิดขึ้นได้จากการเจริญกรรมฐานเท่านั้นแม้กระนั้นก็เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลายาวนานกว่าจะประจักษ์แจ้งในอนัตตาการมิใช่ตัวตนได้อย่างชัดเจนก็ต้องอาศัยความภาคเพียรอย่างยิ่งยวดอาตมา จึงไม่คาดหวังอะไรมากมายนักที่คุณเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกรุงเทพนั้นค่อนข้างน่าตกใจสักวันข้างหน้าพมา่าย่างกุ้งจะกลายเป็นแบบนั้นบ้างไหมนี่กระมังคือราคาที่ต้องแลกกับความทันสมัยอาตมาคงขอเลือกที่จะอยู่กับขุนเขาอาหารพื้นๆกุฏิเรียบง่ายอากาศหายใจบริสุทธ ชีวิตเนิบเนิบสบายสบายไม่ต้องกังวลกับเงินทองและยศตำแหน่งไม่ต้องมีวันทำงานและวันสุดสัปดาห์ปราศจากความหรูหราฟุ่มเฟือยเพราะเราดิ้นรนสแสวงหาความนิยมชมชอบชื่อเสียงความเคารพนับถือและความรักเราจึงทุ่มเทหาทุกวิธีที่จะได้สิ่งเหล่านี้มา แทนที่เราจะมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุดเรากลับใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่คนอื่นเห็นคุณค่าสิ่งสำคัญที่สุดที่พึงกระทําก็คือพึงพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราแล้วดำเนินชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ไปขัดแย้งกับผู้อื่นหากเป็นไปได้และสาเหตุเพราะ เราสร้างสารรค์คุณค่านั้นขึ้นมาเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับมันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าคู่ควรกับชีวิตของเราจริงๆหรือไม่หลายคนคิดว่าการได้อยู่ในกรุงเทพช่างเหมือนกับการได้อยู่บนเทวโลกสวรรค์ซึ่งคุณจะเพลิดเพลินในกามมัสงศและความหรูหราทั้งหลาย ยากเหลือเกินที่จะอธิบายให้คนเข้าใจว่าความเพลิดเพลินในการมาสุขและความหรูหราเช่นนั้นมันช่างว่างเปล่าราวกับความฝันอาตมาหวังจะมีกาลยานมิที่ไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ใดๆอย่างเข้มงวดตายตัวโดยไร้การพิจารณาหากจะเป็นนักสังเกตและดำเนินชีวิตด้วยปัญญาศึกษาและเติบโตไปพร้อมกับการเวลา เป็นคนยืดหยุ่นเข้าใจสภาพการและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องเป็นผู้สแสวงหาคำตอบแม้แต่ในสัจธรรมที่เข้าใจง่ายที่สุดซึ่งสอนโดยบุรุษที่ทรงปัญญาที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นผู้ที่ไม่ศัก์แต่เชื่อในสิ่งที่รับรู้มาจนเคยชินแม้จะรับรู้อย่างคารวะและชื่นชมแต่จะภาคเพียนสแสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและไม่ขาดกลัวที่ต้องมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวชื่อเสียงนี่ช่างหน้าขันว่างเปล่าจนหน้ารำคาญตอนที่ได้ยินผู้คนเขาพูดถึงอาตมาว่าอย่างไรนั้นยังตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะหัวเราะหรืออารมณ์เสียเรื่องราวที่ผู้คนสร้างขึ้นมันช่างบ้าจนหน้าขันไม่ต้องสงสัยแล้วว่าคนเราอย่างเพี้ยน และง่มงมกันอยู่บ้างหรอกพวกเขาพึงพอใจจะโดนหลอกและยังหลอกลวงตัวเองอีกด้วยโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาต่างเป็นคนดีเรียบง่ายแต่ไม่ชอบที่จะเชื่อความจริงพวกเขากลับชื่นชมเรื่องเพ้อฝันจากจินตนาการต่างๆเหตุใดผู้คนจึงชอบเชื่อแต่เรื่องเพ้อฝันได้อะไรขึ้นมาหรือ อาตมากำลังเพลินกับหนังสือ The Illusion of Technique พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามานยะเหตุอย่าเชื่อเพราะมีระบบเป็นเหตุเทคนิคหรือระบบต่างๆเป็นสิ่งที่จิตมนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นการจะยัดเยียดเอาธรรมชาติเข้าไปใส่ในระบบหรือเทคนิคใดๆอย่างจริงจังย่อมเป็นไปไม่ได้ แม้แต่พระอภิธรรมก็ยังไม่สามารถอธิบายสภาวะธรรมตามธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ยังมีอีกหลายเรื่องที่ขาดหายไปอาตมาตั้งอกตั้งใจอ่านทำความเข้าใจทดสอบและเรียนรู้เข้าใจดีว่าพวกคุณผิดหวังกับปรัชญาตะวันตกเพราะอาตมาเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็คิดว่า ยังพอจะเรียนรู้บางอย่างจากมันได้บ้างปรัชญาเ x i s t e n t i a เช s m ส่วนใหญ่บีบคั้นจนสิ่มเศร้าเพราะมันอธิบายว่าชีวิตนี้เลวร้ายอย่างไรบ้างแต่ไม่เคยแนะนำว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้สงบสุขได้พวกนักปรัชญาส่วนใหญ่เป็นพวกแนวหน้าในการใช้หัวหัวที่สับสน ตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่คิดแต่ไม่เคยมีความสุขบางคนเพี้ยนไปเลยก็มีโชคดีที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนคิดมากและไม่อ่านตำราปรัชญาจึงมีความสุขมากกว่านักปรัชยามากนักยิ่งอ่านตำรับตำราปรัชญามากขึ้นเท่าใหรอาตมาก็ยิ่งชื่นชมพระธรรมของพระพุทธองค์มากขึ้นเท่านั้นช่างเต็มไปด้วยสาระความหมาย และนำมาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงๆสิ่งที่มีความหมายและสำคัญยิ่งต่อชีวิตของเราจริงๆคือเมตตาความรักและปรารถนาดีการุณาความสงสารเมื่อผู้อื่นเป็นทุกข์มุทิตาความพอยยินดีที่เห็นผู้อื่นเป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยศีลการรักษากายวาจาให้ดี สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตสติความระลึกรู้และปัญญาความอย่างรู้บุคคลใดเจริญให้คุณธรรมเหล่านี้พัฒนาขึ้นในตนชีวิตของบุคคลนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนอันที่จริงปรัชญาและวิทยาศาสตร์ก็ได้ช่วยปลดปล่อยผู้คนมากมายให้เป็นอิสระจากความเชื่อแบบงมงายที่ไร้การพิจารณา นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปัญหากลับอยู่ที่ว่าหลังจากปลดปล่อยแล้วกลับทิ้งผู้ขอเอาไว้กับจิตใจที่ว่างเปล่าผิดหวังหมดสรัธาและไร้ทิศทางถึงกระนั้นก็ตามคุณแล้วหรือที่เราจะไปตำหนิปรัชญาและวิทยาศาสตร์เพราะสาเหตุนั้นในกรณีของอาตมาเองปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ก็ช่วยปลดปล่อยอาตมาออกจากความศรัทธาเชื่อถือในศาสนาของโยมพ่อแต่ก็ทิ้งอาตมาไว้กับความว่างเปล่ามันจึงเป็นภาระหน้าที่ของอาตมาเองที่จะแสวงหาความหมายให้ชีวิตตนเองต่อไปการอ่านปรัชญาเ x i s ซ e n เ i a l i s m ก็ยังช่วยให้อาตมาเข้าใจจิตใจและปัญหาของชาวตะวันตกได้บ้างเข้าใจวิธีคิดของพวกเขา มองเห็นได้ว่ามีอะไรที่ขาดหายไปบ้างในความคิดเหล่านั้นและพวกเขาเคยพยายามแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างไรพระธรรมของพระพุทธองค์จะช่วยพวกเขาได้หรือไม่และอย่างไรการเข้าใจผู้อื่นสำคัญยิ่งต่อการเข้าใจตนเองโลกทุกวันนี้เพี้ยนมากขึ้นทุกทีทุกที มีแต่ความไร้สาระสวมหน้ากากหลอกลวงโอ้อวดกันพวกโง่งงมก็ถูกหลอกให้หลงไหลไปกับรัศมีอันเฉิดฉรัดนั้นช่างเป็นความแพร่เผาที่ไร้สาระเป็นสมบัติจอมปลอมกับธรรมะกระผมแทบจะต่อไม่ติดส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะความเหลวไหลของตัวเองแต่อีกส่วนก็อาจเป็นเพราะกระผมเริ่มตาสว่างจากภาพเก่า ของกรอบและสถาบันเดิมๆสหายรักอาตมาเข้าใจพวกคุณดีทีเดียวเพราะว่าเราก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่มันทำให้อาตมารู้สึกว่ายิ่งเรียนรู้มากขึ้นเราก็โดดเดี่ยวเดียวด้ทางปัญญามากขึ้นเพียง น, นั้นฉันแ้งทำว่ามุ่งมาพัฒนาโลกร่ายสโลกสร้างสุขให้มนุษยชาติ แต่ประหลาดลึกลงไปกลับว่างเปล่าความน่ารังเกียจของตัวเราช่างน่ากลัวฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อปกปิดด้วยรู้ผิดว่าตนเองยังว่างเปล่าอยากเติมเต็มจึงสะหาอย่างสุ่มเดาที่สุดเข้าใจว่าพบความหมายของชีวิตครั้นขุดลึกลงไปไร้สาระจะสอนสั่งใครได้ละ่ะ เมื่ อ, อย่างว่างสนิทจึงแท้งทำเป็นรู้แจ้งจนมิดชิดเป็นขนทางที่ฉันคิดปกปิดตนพรั้งครูกล่าวถึงพลังรักอันยิ่งใหญ่แต่หัวใจขุนคลักด้วยโทสะจริตฉันสอนคนให้ละลดตรดวางในชีวิตแต่ฉันเองกลับยึดติดชื่อเสียงที่ได้มาพึ่งอยู่อย่างเรียบง่ายฉันพร่ำสอน แต่ตนเองเริงร่อนอย่างหรูหราเพลิดเพลินภ า, ภาคภูมิกับอาวิสบูชาเพียงแต่ต้องหลบตายามพูดถึงคุณธรรมความดีช่างเป็นชีวิตที่เสแสร้งผู้คนมักชมเชวยว่าท่านช่างแสนประเส ร, ริฐปีมด้วยปัญญาและความสุขฉันก็อยากให้เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ดีอาตมาไม่หงุดหงิดกับเรื่องนี้อีกแล้วแม้ว่า ยังคงกระหายที่จะพูดคุยสื่อสารอย่างเปิดใจโดยไม่ถูกประเมินหรือวิพากวิจาร์อาตมากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันจำเป็นยิ่งทีเดียวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ห่างจากดวงดาวที่ใกล้ที่สุดไปหลายล้านปีแสงมนุษย์ทุกคนล้วนเปล่าเปลี่ยวกันทั้งนั้นคนที่รับความรู้สึกได้ไวกว่าก็ยิ่งเดียวดายกว่า ถึงกระนั้นอาตมาก็รู้สึกเป็นอิสระอย่างยิ่งมีเพียงความคิดที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเครื่องนำทางความคิดอกุศลเป็นความเจ็บปวดและเป็นต้นเหตุแห่งความปวดร้าวในขณะที่ความคิดซึ่งเป็นกุศลนำความสุขสงบมาให้ไม่มียานพาหนะใดเหลือแล้ว เราต้องการยานพาหนะใดด้วยหรืออาตมาคิดว่าหากเราจเจริญสติอยู่ทุกขณะโดยไม่ละเลยช่วงใดของชีวิตก็น่าจะเพียงพอแล้วกระมังอาตมาต้องการจะใช้ชีวิตอยู่กับจิตที่เป็นอิสระอาจจะไม่ประสบความสําเร็จโดดเด่นในสายตาของผู้อื่นแต่อาตมาก็พึงพอใจอย่างไรก็ตาม อาตมารู้สึกได้ถึงอิสรภาพจากภายในอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้จักตรงนี้อาตมาไม่ได้หมายความถึงการบรรลุพระนิพพานไม่ว่าในระดับใดๆตามที่กล่าวไว้ในตำราหรอกนะเรามีชีวิตที่สุขสงบได้หากมีปัญญาและความชัดเจนพอ ใหญ่คุณจะต้องไปสนใจคนอื่นให้มากมายนะักคุณคิดว่าจะต้องรับผิดชอบพวกเขาด้วยอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะทุกใจด้วยเรื่องอะไรก็ไม่คุ้มค่าทางนั้นใช่ว่าอาตมาจะสุขใจอยู่ได้ตลอดเวลาหรอกนะแต่อาตมามองเห็นได้ชัดทีเดียวว่าเมื่อใดที่มีการเอาตัวกูเข้าไปพัวพันกับเรื่องใดแล้วก็ที่นั่น ย่อมมีทุกเสมอคุณเคยเขียน่าว่าสิ่งที่กระผมตั้งใจพูดก็คือกระผมจะต้องไขปัญหายิ่งใหญ่ในใจให้ได้ว่าการปฏิบัติธรรมในโลกตะวันตกนี้ควรผสมผสานอย่างไรให้เกิดความสมดุลระหว่างแนวทางการปฏิบัติที่แท้จริงกับความยึดติดทางวัตถุอย่างเหลือเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่จริงๆคุณคงต้องตอบตัวเองก่อนอาตมามีความเห็นว่าสิ่งแรกและสำคัญที่สุดที่พึงมองให้เห็นจากการปฏิบัติธรรมก็คือความจริงที่ว่าอากุศลลจิตทำให้เป็นทุกข์ท้งนี้ไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะอกุศลจิตเหล่านั้นหากแต่เพื่อจะเห็นมันได้อย่างชัดเจนคนเราต้องการอะไรหรือ คำตอบก็คือทุกคนต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนก็ควรเข้าไปดูให้ชัดว่าอะไรก่อให้เกิดทุกข์แต่คนทั่วไปกลับมองไม่เห็นว่าความคิดจากอากุศลละจิตนี่เองที่ก่อให้เกิดทุกข์และยังยอมรับในสัจธรรมข้อนี้ไม่ได้อีกด้วยเขากลับเชื่อกันผิดๆว่า ความเพลิดเพลินในการมคุณทั้งหลายก่อให้เกิดความสุขโดยไม่เข้าใจเลยว่าเมื่อใดที่ใจของคนเราเป็นสุขแล้วก็ไม่ต้องการอะไรมากมายนักหรอกหากไม่นับนักบุตรมนุษย์เราก็มีชีวิตที่ไร้สาระคล้ายๆกับสัตว์คนมีศีลธรรมคือผู้ที่เข้มแข็งที่สุดเมื่อใดที่เขาประนีประนอมยอมตามค่านิยมของคนส่วนใหญ่ แม้เพียงครั้งเดียวก็อาจสูญเสียจุดยืนทางศีลธรรมได้ความสามารถในการควบคุมตนเองคือมาตรพลังอันยิ่งใหญ่ nature คนที่ควบคุมตัวตนของตนเองก็ยังไม่ได้ย่อมไม่มีทางชักจุงผู้คนที่รายรอบให้คล้อยตามได้เลยความมานะถือดีของตนนั่นแหละคือสาเหตุเกิดเท่ จินตนาการที่สวยงามที่สุดของคุณคือเรื่องอะไรอาความฝันอันแสนงดงามมันเคยทำให้อาตมาเป็นสุขเคยบำรุงหล่อเลี้ยงอาตมาสมัยยังยาววหวมาถึงตอนนี้อาตมารู้ทันเสียแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันบางครั้งอาตมาก็ยังอยากจะกลับไปเป็นคนช่างฝันอีกสักครั้ง อยู่กับความสุขแบบไร้เดียงสาพวกนั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้เสียแล้วอาตมาคงต้องปีนป่ายเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเดียวดายภายใต้แสงแผดจ้าของดวงตะวันกลางท้องฟ้าเคยหวังว่าจะพบเพื่อนร่วมทางบ้างแต่ก็ยังไม่พบใครอาตมาจึงต้องพยายามรักษากายใจของตนเอง แข็งแรงพร้อมสำหรับการปีนสู่ยอดภูผาเพียงลำพังอาตมารู้ความหมายของความเปล่าเปลี่ยวดีทีเดียวและกำลังเตรียมตัวพบกับมันเป็นชะตากรรมของอาตมาเองความเดียวดายอันแสนหวานกลยานมิตรที่รักโปรดพยายามทําความรู้จักโซนลึกในจิตของคุณเองทุกวันนี้ อาตมาไม่ค่อยอยากจะสอนใครแต่ยังคงสนใจที่จะพูดคุยกับคนที่มีปัญญาที่เปิดใจกว้างที่แย่ก็เห็นจะเป็นการทนฟังใครพูดราวกับนักเทศไม่ได้ฟังดูราวกับว่าเขารู้ไปหมดทุกอย่างถ้าคุณจะเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มอาตมาจะรออ่านมัน คนคนหนึ่งที่มีชีวิตเหมือนสนามรบของหลากหลายอุดมการที่ขับแย้งกันเองเป็นพุทธศาสนิกชนเช้าอเมริกันอยู่คนหนึ่งที่รู้เรื่องราวมากมายเกินไปแต่ไม่เคยรู้ว่าจะจัดการกับชีวิตของตนเองอย่างไรคนคนหนึ่งที่มองทุกอย่างในโลกอย่างขบขันและไม่เคยจริงจังกับอะไรสักอย่างแม้แต่เรื่องของตนเอง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของตัวเองในที่สุดเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของอาตมาหากแต่อาตมาตามรู้จิตของตัวเองได้ดีกว่าปล่อยวางตามดูแทนที่พวกเขาจะชื่นชมความการุณาของเราพวกเขากลับคิดว่าเรางูเง่าด้อยคำํำและมีไว้ให้ใช้งานจากนั้น พวกเขาก็เริ่มเข้ามากํากับครอบงำเราทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเขาไม่เคยนึกถึงหรือให้เกียรติใครเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอาจจะเป็นเพราะไม่เคยมีใครให้เกียรติหรือใส่ใจพวกเขามาก่อนเลยคนเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ของตนเองหาใช่จากตํำรับตําราใดๆ จึงเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาเติบโตมากับครอบครัวและคู่ครองที่ล้วนพยายามครอบงาอีกฝ่ายหนึ่งคงจะยากเอาการหากจะมองหาคนที่ไม่คิดครอบงากากับชีวิตผู้อื่นเราควบคุมครอบงาผู้อื่นเพราะไม่ไว้ใจหรือใส่ใจพวกเขาขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยไว้ใจตัวเองเช่นกัน หากเราไว้ใจและใส่ใจกันและกันแล้วก็คงไม่คิดจะครอบงำกันการครอบงำกํำกับชีวิตผู้อื่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความอ่อนแอและอ่อนหัดชีวิตลีลับด้วยสิ่งที่เหนือคำอธิบายผู้ที่ยังไม่รู้สึกเช่นนี้ย่อมไม่มีโอกาสสัมผัสความสุขและความพิศวงของชีวิตส่วนผู้ที่พยายามคิดหาเหตุผลต่างๆมาอธิบาย ล้วนพ่ายแพ้ไม่มีวันทําสําเร็จหรอกอาตมาเลือกที่จะเป็นคนเชื่อในสิ่งเหนือคําอธิบายมากกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าไปแล้วนักวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อในสิ่งที่อธิบายไม่ได้ด้วยเช่นกันการหลอกลวงโดยเฉพาะตนเองไม่เคยนําไปสู่การเติบโตและการเจริญปัญญา หากคุณต้องการประจักษ์แจ้งในศัจธรรมสิ่งแรกที่ต้องมีคือความกล้าหาญและความซื่อสัตย์คนเราล้วนมีเทวดาและอสูรร้ายอยู่ในตัวเมื่อใดที่พยายามขัดขืนเจ้าอสูรร้ายมันจะหลอกหลอนเราจากมุมมืดพึงหลอกล่อเจ้าอสูรให้ออกมาสู่แสงสว่างเถิดทั้งเรื่องหลอกลวงที่สร้างให้ตนเองเชื่อทั้งภาพมายา และความคิดที่อนุมานเอาเองล้วนแต่ทำให้ชีวิตยิ่งว่างเปล่าหากคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็แปลว่าคุณไม่เคยให้ความสำคัญแก่สิ่งใดๆในชีวิตเลยช่างเป็นชีวิตที่ไร้กันอุดมการทั้งหลายของคุณล้วนแต่หยิบยืมเขามาไม่มีจุดยืนของตนเองเอาเสียเลยการให้อภัย คือการเข้าใจอภัยได้ก็เป็นอิสระหากยังอภัยให้ใครไม่ได้ก็ต้องผูกติดกันไปแบบนั้นเมื่อเห็นอนัตตาสีแล้วยังมีใครให้ต้องอภัยอยู่อีกรึ